อนัตชริยคาถาบัรนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งพาทวนกระแสและเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประนีตผู้กำหนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้จะรู้เห็นไม่ได้ เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาดังนี้พระไทยก็น้อมไปเพื่อการควรขวายน้อยไม่ได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมข้อ 8. ครั้งนั้นเท้าสามบดีพรมทราบความดั่งดีในพระไทยของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนได้มีความดํางดว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยโลกจะชิบหายหนอโลกจะพินาศหนอ เพราะพระตถาคตอรหันตสมมาสัมปตเจ้าส่งน้อมพระไทยไปเพื่อการขวนควายน้อยเบียได้น้อมพระไทยไปเพื่อทรงแสดงธรรมจึงหายไปจากพรหมโลกมาปรากฏหน้าเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเปรียบประหนึ่งบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือโค้งแขนเข้าฉะนั้นแล้วห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งคุกเข่าเบื้องขวาลงบนแผ่นดินประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับ พลางทูลว่าพระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าได้โปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในตาน้อยมีอยู่สัตว์เหล่านั้นย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรมเพราะจะมีผู้รู้ธรรมท้าสามบดีพรมได้ทูลอาราธนาดังนี้แล้วได้ทูลเป็นประพันธ์ทค า, าถาต่อไปว่า